วิธีให้ปริวาทและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้อักคะสมโมทานปริวาทอย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พันษาทั้งหลายนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผม ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันละอาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สิบวันท่านผู้เจริญบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใดปิดไว้สิบวันกระผมนั้นขออักขสมุทานปริวาสเพื่ออาบัตนั้นกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละ พึงขอแม้ครั้งที่สามและภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวันและอาบัตหนึ่งตัว ปดิดไว้สิบวันบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใดปิดไว้สิบวันภิกษุชื่อนี้ขออักคะสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตนั้นกับสงถ้ า, าสง พ, sal พร้อมกันแล้วบรรดาอาบัตเหล่ Singer านั้นอาบัตใดปิดไว้สิบวันสงพึงให้อักคะสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิษุชื <ienen> ่อนี้นี่เป็นยติ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 เพื่ออาบัตนั้นกับสงฆ์บรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใดปิดไว้สิบวันสงฆ์ก็ให้อัคคะสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิกษุชื่อนี้บรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใดปิดไว้สิบวันท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้อัคคะสมุทานปริวาสเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิกษุชื่อนี้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 เพื่ออาบัตินั้นสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้